วันนี้เป็นวันที่สิบสองพจิกายนพุทธศักราช 2,556 หหเป็นวันขึ้นสิบค่าเดือนส2บสองอีกห้าวันเป็นวันหมดเขตกรถินนะคณะทศชายาจุ่มถึงเดือนสิบสองเพนแหละอนนัิพิยงสิบค่าอีกห้าวันก็เป็นขึ้นส5บห้าคเดือนสิบสองแปลว่าหมดเขตกรถิน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 เราก็ต้องสันโดษตามมีตามเกิดเกิดขึ้นมาอย่างไรเราต้องใช้อย่างนั้นต้องพยายามรู้ใจของตนเองเพราะเหตุไรเพราะเรามาเป็นนักบวชเมื่อเราเป็นนักบวชก็ไปใ ส, ส่แสไปหาขอคนนั้นขอคนนี้บรบกวนคนนั้นคนนี้อย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะเหตุไรเพราะตัวเองเป็นนักบวช ในเมื่อเป็นนักบวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชมีอะไรก็ใช้มีอะไรก็รกฉันเราเล่งอาหารใจอย่างเดียวเราภาวนาแต่ทางว่าเราเป็นฆราวาสญาติโยมเราจะไป น, นั่งซื่อบือ้ออยู่เฉยๆไม่ทําการทํางานจะให้มันเงินคําทรัพย์สมบัติหลังไหลเข้ามาหาตัวเองเเลยมันก็ไม่ทุกเพราะเราเป็นฆราวาสเราต้องมีลูกมีหลานมีวงศาคณาญาติ ญาติมิตรสหายเราก็ต้องส่องแสวงหาทรัพสมบัติปัจจัยสี่มาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงวงวงสาคณาญาติอย่าให้ขาดตกบกพ่องอันนี้ก็คือหน้าที่เมื่อเราเป็นคราวาัตแต่คราวัตต้องทำเอาได้ทั้งสองอย่างต่างว่าพวกเรามีแต่สะอแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวการส่องแสวงหาทรัพย์ที่เลิศประเสริฐที่สุดมีหน้ามีตาในชุมชนสังคม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 แั้ทงนี้ท้งนั้นก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวย้ำเตือนอีกเพื่อให้พวกเราส ำ, สำนึกขนาดไม่ได้บอกได้กล่าวเอาไว้บางทีก็เผลอเลอไปได้ง่ายๆขนาดบอกย้ำกล่าวอย่างนี้ก็ยังบางทบางทีก็ยังเบื่อหูอีกต่างหากแต่ตื่ยังไงกนะ็เถอะนะคนที่ยังไม่เคยมาก็ได้ยิน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 ใครประมาทมากประมาทน้อยใครได้กําไรมากกําไรน้อยใครขาดทุนมากขาดขึ้นทุนน้อยโค้งสุดท้ายนะ่ะเป็นที่วัดกันนะเดี๋ยวนี้ใครว่าเราสอบแสวงหาอยู่การต่างคนก็ต่างสาะสแสวงหาบางคนก็ขี้เกียจไม่เชื่ออีกต่างหากนแต่บางคนก็เอเชื่อปฏิบัติตามแต่บางคนก็อื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 แน่นอนเอาคําอะไรจึงมาจยืนยันะแน่นอนให้พวกเราปฏิบัติถ้าพวกเราจับไฟต้องร้อนแน่นอนพวกเราดื่มน้ําน้ําแข็งต้องเย็นแน่นอนถ้าพวกเราดื่มน้ําร้อนต้องร้อนแน่นอนอมันคําว่าแน่นอนครับนี่ก็คืออะไรขยันขนาดนั้นละ่ะเพราะนั้นทําบาปจะเป็นบุญแน่จะเป็นบุญได้ยังไง ถ้าล้ำทำบาปบาปแน่นอนถ้าพวกท่านทั้งหลายทำบุญได้บุญแน่นอนถ้าพวกเราส่องแสวงหาความรู้ต้องได้ความรู้แน่นอนถ้าพวกท่านทำความชั่วได้ความชั่วแน่นอนนี่มันตึงยืนยั น, ยนเนยว่าแน่นอนไงเพราะเราจะไปทางไหนไปใ น, ในทางเทศแน่นอนทางไหนเป็นหน้าที่ของพวกพวกเราจะต้องศึกษาละท่นนี้นะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร